ใจมันบริสุทธิ์แล้วแต่นั้นจึงควรฝึกควรปฏิบัติโอกาสเวลาที่จะกต่ทำบาเพ็ญที่จะไล่จะถอนมีให้ตั้งหน้าตั้งตาสําสละไปทำไปอย่าไปนอนใจอย่าไปประมาททำมันมีอยู่ทุกผนทุกแห่งทุกที่ทุกสถานถ้าหากเราพิจารณาให้มันเป็นธรรม ขาที่จะง่ายเป็นจีเหลือญต้อก็เป็นที่เหลือญเดือดไปเราก็เคยเห็นเคยรู้เคยได้ฟังกันมาตากมเคยได้ดูอย่างคนแก่คนเจ็บคนตายถือพระพุทธเจ้าสลดสังเวชเบือดหนายออกไปบวชเราก็เคยเห็นรับไม่ได้แต่เราก็ไม่เห็นเบื่อเห็นหนาเพราะจิตใจมันยังไม่เป็นอาจเป็นธรรมให้ขาจิตใจมันเป็นอาจเป็นธรรม มันมีทางสงสัยมันอยู่ไม่ได้เดื่อร้อนวุ่นวายถึงเข้าของเงินทองภายนอกจะสมบูรณ์ขนาดไหนมันก็อยู่ไม่ได้พระพุทธเจ้าผันเบือหน่ายเยือนทังองโลกอย่างนั้นผันยนิงนี้ที่เน็ตก์คอมยาศาสคุลาบุตรกว่าเป็นลูกเกิดถีบม่งมีสมบูรณ์ทุกสิ่งทุกอย่างแต่ก่อนจิตใจ คือไม่เข้าไปในเรื่องของอัดของรรทำก็เพิดเชิญยินดีลุ่มหลงอยู่เรื่อยไปแต่พอจิตใจคิดไปในเรื่องของธรรมแถวนั้นก็ปเปลีว่ะที่นี่วุ่นวายเนาะที่นี่ขัดข้องเนาะอยู่ไม่ได้หนีไปโดยไม่บอกใครนี่คือเรื่องของใจที่ไปคิดเรื่องของธรรมเป็นอย่างนั้น ทั้งๆทของมีอยู่ทั่วโลกเราเคยเห็นเคยสูตเคยสาบายเคยยินดีพอใจแต่เมื่อหยิดใจเข้าไปถึงเรื่องของธรรมมันทิดมันตรงกันข้ามมันเห็นว่าเป็นทึกเป็นไทยการเสดการเชิญการหลุมการหลงการมัวการเมาต่างๆมันจะแสวงหาทางออกจากทุกข์ทางผนทุกข์ มันในยินดีในความมีความเป็นของโลกนี่คือเรื่องของธรรมมันให้หลังกันกับเรื่องของโลกปกติ ท, ที่นี่ที่จะนาทำจึงมีโอกาสเวลาตาเห็นก็เป็นธรรมหูได้ยินก็เป็นธรรมจิตนกคิดอะไรภายในมันก็เป็นธรรมเพราะท่าอยู่เด็ดธรรม หรืเราเีเป็นอย่างนั้นเป็นอะไรใจมีกิเลสมันก็ได้เป็นกิเลสไปหมดเหมือนกันกับพระได้อะไรมากของพระผ่าก็ว่าพระเราท้ากของพระยามก็ย่ามของพระถ้าเป็นของโจรเหรอะไรก็เป็นโจรไปหมดเราฆ้าโจรเื้อโจรหมวกโจร ใน เ, เป็นโจรต้หมดเพราะตัวประทานมันเป็นโจรจิตใจของเราก็เหมือนกันถ้าเข้าถึงเรื่องของธรรมแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นธรรมพอที่จะทิ้งที่เจนาได้พอที่จะเกิดตัญญาไร้ที่เหลือได้ถ้ามันเป็นธรรมมันศึกษามันที่เจนาฮะ ความจริงของมันโลกอันนี้มันไม่มีอะไรติดบังเปิดเผยอยู oh ่ตลอดเวลาแต่ด้วยความโง่ของเราความหลงของเรามันจึงเกิดสไม่สว่างให้เห็นว่าอันนั้นนดูอันนี้นาชมอันนั้นนยินดีอันนี้นเบื่อหน่ายนี่งิเ็กของใจ มันปกคลุมหุ่มห่ อ, อไว้สาหาัจิตใจเป็นอาจเป็นธรรมมันมเป็นอย่างนั้นทุกสิ่งทุกอันความจริงของมันเป็นอย่างไรมันเป็นอยู่อย่างนั้นจิตใจไม่ไปกอ่อเกี่ยวมันก็เป็นอยู่อย่างนั้นจิตใจของเราไปกาะเกี่ยวมันก็เป็นอยู่อย่างนั้นเแี่ใครแหละเป็นทุกข์เป็นโทษก็เพราะจิตใจทั้งตัวไปยึดไปถือไปเกี่ยวไปครองมันจึงเกิด สรุปสังเวยเกิดเบือเบ่อเกิดหน่ายเกิดอาจเกิดทำขึ้นในจิตในใจนี่ถ้ามันที่เจรนาไปในทางทำมันเป็นธรรมมันเป็นอย่างนั้นดังนั้นพวกเราท่านว่าเป็นนักปฏิบัติเขาเชื่องต่างแน่ต่างตาที่นี่ที่เจรนาศึกษาหายจิตใหา ใ, ใจเกิดกติเกิดปัญญา แก่ไขขาดไล่ยังมีแต่ตันหาความหลุ่มหลงต่างๆออกจากใจใ่อย่างนั้นก็จะทุกข์อยู่ตลอดไปเยันไร้ใจเกิดอยู่เรื่อยไปเพราะความโฉงใสเพราะความติดข้อเพราะความยินดีตาวมาตันหาภาวะตันหายาภาวะตันหาหนีตัวทําให้เสียทุกข์ ป่าถนาอยากได้ยินดีอยกตามมาตัณหาได้มาหึงหวง <c oughs> ยึดมัน่นไม่ทราบความจริงของมันเป็นอย่างไรพอมันไม่สมปาาถนะให้ก็เกิดทุกข์อึ ด, ด ม, มีภาวะตัณหาทมไมยอมจำนนตามความจริงของมัน หาสิ่งที่ไม่มีหาเท่าไรมันก็ไม่เจอให้หาซ้ำสุกจากความเกิดมันจะมีมาจากที่ไหนเราต้องพิจารณามันซ้ำเป็นจริงของมันเป็นอย่างไรเกิดมาแล้วจะไม่ให้มันแก้มันเจ็บมันตายมันเป็นไปไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันแปรปวนเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติขาดแขนของมัน ให้สะาดตามอย่างความจริงของมันแล้วก็ปล่อยไปตามหน้าจีของมันจิตใจของเราจะนด่ยืนเยียไม่ย่นวายไม่เดือดร้อนไม่เกิดทุกข์ถ้าเห็นจริงถ้าไม่เห็นจริงมันก็เกิดทุกเกิดโทษอย่างนั้นเหยียดวิภาถ้าจิงๆไม่มีเกิดมาแล้วไม่อยากแก่มันก็ไม่มี ไม่อยากเก็บมันก็ไม่มีไม่อยากทายมันก็ไม่มีจะไปหาเท่าไรหาของที่ไม่มีมันก็ไม่ได้เนาะมันไม่ได้มันก็เป็นสุขให้มันก็เกิดทุกข์ขันเจว่าะัำหาให้ละเกิดปัญญาที่เจนะให้เห็นการเป็นจริงทุกควรกาหนดให้รู้มันมีอยู่ที่ไหนล่ะ ทุกข์ก็ดีสมุทัยก็ดีเมื่อประหาประหารมันได้มีรดถ้าัดับทุกข์มันจะมีมาจากที่ไหนเหมือนกับไฟอถ้าเราดับได้มันจะเย็นอยู่ในนั้นอ่ะถ้าเราดับไม่ได้มันก็ร้อนเผาอยู่นั้นเราจะไปดับที่ไหนที่เหลือมันมีอยู่ที่ไหน การดับที่เหลือก็จะต้องดับที่ไหนเหมือนกันกับไฟมันมีอยู่ที่ไหนจะไปสาบน้ําไปใส่ที่อื่นมันก็ไม่ดับให้การที่เจ้น า, ายแจกไขตายใจท้องตัวเป็นเรื่องทุกคนเกี่ควรสนใจถ้ามันยุน่งเกี่ยวกับเรื่องราคาทาันหาของพี่ใหญ่นะอย่าแย่ดูในเนี่ยในตัวของตัวเองหรือ แต่บุคคลที่เราเกี่ยวข้องที่เรนาให้มันถั่วมันถึงตามเป็นจริงของมันให้จิตใจอยู่ในวงของอัดของทำเดินจงกรมจะกำหนดสร้างศพปายเรียงกไปจนสุดทางจงกรมก็ได้นังภาวนาจะเอาใส่เอากระดูกมาแขนคอเอาไว้กาหนดดูอยู่นั้น มันทาไมจะไปหลงไปติดไปข้องกระดูกแขนคออยู่น่วนเหลือเดีน๋นี้นั่งอยู่คอมันอยู่ถึงอยู่นะกระดูกไหลกระดูกหลังกระดูกข้างมันแขนลงไปยิงเยืนม่กะียิงแขนลงไปทุกขั้นของกระดูกมันมีอะไรจะน่าสงสัยที่จะติดข้องที่จะน่ากำหนัดยินดี ที่เกณนะหาทางให้มันรู้มันเห็นให้มันเยือกมันเย็ น, นจิตใจมันหลงบ้าแต่ตัวเล็กเล็กมันก็เธิเทินลิ่มหลงได้เรานักบวชนักภาว น, วน า, านะยังไปบ้าในเรื่องที่เหลือปัญหาถ้าคนธรรมดาเขาทาาราบวารจิตคือมันคิดไปบ้าบออย่างนั้นจะไม่ละอายเขาหรือ ช้างขี่เกศเป็นพระเป็นเมรเป็นชีหนีจากพระรานมาบวชเกิดจะลาสี่เหลี่ยมแต่กดคิดกดปรุงไปในทางี่เหลี่ยทางสรรหาถือเป็นหน้าลำคานน่าอับอายชาวบ้านเขากินของเขาหนุ่งห่มของเขาพัก ท, ที่อยู่ที่อาศัยที่เขาทําให้ของเหล่านี้ พอเอามาบูชาว่าเราก็ิดเคลดดีปฏิบัติชอบแต่จิตใจของเรามันเงอะงามันบ่าบอคิดไปปร้งไปในทางนอกหลีิหนอกทางที่พระพุทธเจ้าสอนมันก็หน่าอับอายจะมีสติมีปัญญารักษาจิตของตัวดูจิตของตัวทีสี่วเสีย อ, อ, อ, อย่างนั้นมันก็มีทางตันนีแล้วก็จะ มีทางต่างหน้าต่างตาไปฏิบัติเพื่อดอเสียทาได้ถ้ามันมีปัญญาหรือมีสติดูแลรักษาอย่างนั้นมันอยากไปที่ไหนก็ไปกันมันอยากคิดอะไรก็คิดกันทานองนั้นมันก็ไม่มีอะไรดีให้อยู่ในวัดเพียงแต่กายใจมันบ่ามันบอมันวิ่งมันวุ่นอยู่ในบ้าน หาอภัพทรรอะไรไม่ได้มันหน้าอับอยายที่นี้พี่เจนาสอนใจต่างหน้าต่างตางทำความผากความเทียนชำระหยิตชำระใจให้สะอาดการมาประพฤติปฏิบัติไม่เคยบาเรามาเล่น ถ้าผู้ใช้จา้าทำไมทำเล่นครูอาจารย์อยู่สั่นรู้อดเห็นทำมาสอนพวกเราท่านก็มาทําเล่นทํำไมทาจริงทำเพียงแฉเราทํามานี้จิตใจของเราดีเสียแ่ไหนเราก็ทราบเลยจะทําอยู่เพียงระจะขนาดที่เราทํานี้มันจะเป็นอย่างไรต่อไปแล้วก็พอจะ ขาดเอาได้เรากินขนาดนี้มันไม่อิม่มเรานุ่งขนาดนี้มันไม่พอพอหุ้ม ล, ล่างตายเราจะต้องยินให้มากกว่านี้มันถึงจะอิม่มหาผ้าพื้นใหญ่กว่านี้มาหม่มมันจึงจะหุมเนื้อหุ้มตัวของเราอยู่การแต่เพศอปฏิบัติผัวทานองเดียวกันเดียวกันหยิตใจถือมัน ยังคิดยังเพ่งยังย่งยังเกี่ยวกสำเร็จกิเลสปัญหาอย่างนี้ตามเพียงของเราไม่มีเพียงพอเราจะต้องสร้างหน้าสร้างตาขาดเพียงพอนะใส่เข็มแข็งเข้าไปกว่านี้ให้หนักแน่นเข้าไปกว่านี้เพราะทำขนาดนี้มนันเลงพอต่อกิเลสกิเลสจึงไม่ยอมจำน น, นกิเลสจึงไม่กลัวต้องสอนตัวอย่างนั้น บางทีมันวุ่นวายมันก่อควนหนักเขา้ามันจะแตกจะสลายไปได้จริงจงจริงังหรือแล้วคุณเจเจ้ า, จจาท่านได้ทามาสอนโลกท่านหนึ่งยหญ่ใหญ่อะไรกับที่อีทท่านตัง้งจิตประบัติปฏิบัติจริงจังท่านจึงรู้ทำเห็นทำมาสอนโลกได้เล่าก็อนจะต้อง ทตสอบดูอย่างท่านไม่ควรนอนก็ไม่นอนมันเลยไม่ควรถันก็ไม่ถันมันเลยมันจะเกลี่ยนขนาดไหนจิตใจที่มันไปเกี่ยวข้องกับเรื่องทั้งโลกมันต้องตัดมันไปมันยังคิดยังฟูงยังยงยังเกี่ยวไม่ยอมเหยมันกินมันนอน เยี๋วมันก็อยู่แค่นั้นแหละตัดอาวุธของมันตัดกำลังของมันมันมีอุบายมีเรื่องที่จะทดสอบที่จะทำถ้ามันดื้อก็ต้องดัดมันถ้ามันจะดวกสบายเก็ะปล่อยมันไปธรรมดาธรรมดากุพาง่ายอยู่ถ้าหากมันดื้อไม่ดัดแสดงจะไถมันมันก็เป็นปลายา ที่มันบื้อจะส่งพลรมานมันถามมันฝึกง่ายปล่อยกันไปตามธรรมดานพุทธเจ้ากับนายสารีนายสารีถามว่าพุทธองค์ทรงพลรมนัดฝึกสัตว์ฝึกอย่างไรเขาพุทธเจ้าทรงถามคืน ในสารถีฝึกมาฝึกอย่างไรในสารถีฝึกมาในสารถีระเตาอว่าม้ามีอยู่สี่จำพวกจําพวกหนึ่งฝึกง่ายจําพวกนั้นก็ให้มันกินมันนอนสะดวกสบายจําพวกหนึ่งฝึกยากแบบนั้นให้มันกินน้อยนอนน้อยในอย่างนั้นมันมีกําลังเป็นจิตเป็นฐานของมันมันฝึกไม่ได้ ต้องทรามานมันนิดหน่อยมันพึกยากกว่านั้นเลยไม่ให้มันจินทรามานมันจนมันหมดกำลังความดืดด่านของมันมนก็อ่อนลงไปก็าทาฝึกไ ด, ด้จำพวกหนึ่งทำอย่างไรก็ไม่ได้ข่ามันเลยเราสถาคดฝึกสอนฤทธิปีต่อสานองเดียวกันเหมือน เขาพูดให้เจ้าหรือเขาจะถาขักวขอข่าคนอยู่หรือไม่เราไปข่าแบบนั้นเราตัดสะพานคือสอนอะไรมันก็ไม่ใครฝึกใครใจให้ก็ไม่ต้องสอนมันเหมือนกันกับนายสารวชิฝึกมาฝึกอย่างไรไม่ได้ก็ข่ามันที่นี่การฝึกม้าการฝึกใจกทํานองเดียวกันเวลาฝึกแล้วภาวนามันจะบวกสบายแล้ว เปล่งแต่ทำบำเพินไปเหนื่อยใจมันเหือมันบ้าแล้วก็ท ร, รมานมันเด็กการอดนอนผ่อนอาหารการเดินจยกรมภาวนาหนักแน่นเข้าไปก็ต้องมีอุบายสอนใจของตัวมันจริงจะเจนจะเห็นจะรู้ในใ่ว่ามันจะสะดวกสบายเรื่อยไปไในใจว่ามันจะยากเรื่อยไปเวลามันง่ายมันก็ง่ายเวยลามัน ย่ามันก็ยากจะทิ้งอย่างไรไก็อย่าไปท้อถอยให้อิจฉาฝ่าฟันมันจะยากขนาดไหนก็เป็นหน้าที่ข อ, องเราที่จะแจก้ไขที่จะบิกบือนที่จะต่อสู้ถามันในยากในลําบากพระพุทธเจ้าก็ไม่สอนในมีออความอดคนในมีความผัดเทีย น, นถ้ามันง่ายจะไดปผาเทียนอะไรจะไปอดทนอะไรใครเขาก็ทําได้ ธรรมะของพุทธเจ้าสอนพวกเราในเหนือเวลามันมีความยุ่งยากลําบากเกิดขึ้นจะต้องอาศัยความอดทวาทนความผาดความเซียนสู้รบขกขันกับมันเวลามันง่ายมันสบายก็มต้องหาความอดทวาทนอะไรพอมันง่ายอยู่แล้วมันสบายอยู่แล้วในผาดเซียนอะไรมันก็เป็นก็ไป ที่เยนาอยู่สถานที่ใดไปในอิริยาบถใ ด, ดใจมันเกาะอยู่กับอัจกับทำไม่ได้ยืนกับโยกกับเฉลงสารนี่คือเหมื่อเวลามันสบายแต่ธรรมดาการฝึกยิดปฏิบัติใจนั้นพวกเราท่านมันเป็นทุกข์าปฏิปทาทันทาทินยาคือปฏิบัติแยกรู้ชาไม่อย่างนั้น ถ้าหากเป็นสุขปฏิทัยขิตปัญญาปฏิบัติเป็นสุขง่ายเรามานั่งอยู่นี้มันก็อู้แล้วสาเร็จไปแล้วนี่มันไม่เต็นอย่างนั้นมันช้าต้องอาศัยการพิจารณาการการเทียนต้องอดต้องทนต้องต่อสู้ไม่อย่างนั้นก็จะไม่เห็นไม่เต็มให้เจาไม่เห็น ในเป็นอาจเป็นธรรมมันกเ็เกิดแสงใสจะไดคอยพระพุทธเจ้าองค์ไหนท่านจะมาทําให้ในนี้ยังจะท่านมาสอนเท่านั้นทาสอนของท่านก็เหมือนกันหทดสอนไหล้ร้าเชื่อมเพลินดีทําจิตทําใจให้บริสุทธิ์หมดคลองเท่านั้นถึงจะมีแปดหมนสี่พันพระธรรมขันธ์รวมลงมายังสามข้อเท่านั้น พอมาภายในก็คือใจ้่าใจใจเท่านั้นดันั้นเราทุกคนที่ต่างหน้าต่างตามาไปเพื่ปฏิบัติอุปกรณ์ของเราคือใจว่าใจใจมันก็มีอยู่แล้วชีวิตของเราก็ยังอยู่แติปัญญาของเราก็พอจะมี ถาหากจะมาทีนี้้ปใจนาให้มันเป็นอาจเป็นธรรมเป็นมาปฏิบัติถ้ธาหากหลับอยู่เลื่อนนี่นำอาจนำธรรมมาสอนจิตสอนใจของตัวถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายตสาวดีรายเกื่อดีอะไรอย่างนั้นมันก็หมดทางที่จะ สภาพปัจฏิบัินี่เราทุกคนตี่สต็ใจสั่งหน้ามาศึกษามาภาวนาของซึ่งนำธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงสอนเอาไว้มาสอนกายสอนใจของเราจะกำหนดบทพุทโธก็ได้จะกำหนดลมหายใจก็ได้ตามสงบสงัดหากมันถึงการถึงเวลามันจะเกิดขึ้น แต่อยาไเมืองเอาไว้หมายเอาไว้ว่าจะนั่งแถวนั้นหน้าที่นั่งแถวนี้หน้าที่ถ้าเป็นหมายอย่างนั้นไม่ได้อย่ากใจมันสงบอย่างนั้นอย่ากใจมันรวมอย่างนี้อย่าไปอยากมันหน้าที่ทําทําไปอย่าไปละปัจจุบันกําหนดบด็ุทธโทก่อนพุทธโทอยู่นั้นอย่าไปเผลอมันจะเป็นไปเอง กำหนดลมหายใจก็เหมือนกันกำหนดอยู่นั้นมันจะสงบเองอย่าไปขาดเป้าหมายว่าอะไรมันจะสงบให้ความสคัญเหมือนกันกับเราดีเด่นไหมขอให้ดูให้น้ำมันดีดษาลําต้นมันไว้เกี่นดอกผลของมันอย่าไปบังคับมันทิ้งการมันจะออกมาเองมีความสงบของใจไปทํานองเดียวกันดีปัจจุบัน ตัณหาตัณ迦ภาวนารักษาอยู่อย่างนั้นความสงบของใจความผิดความจะาของใจมันจะเกิดขึ้นถ้ า, าไปอยากไปขาไปหมายเอาก่อนมันไม่สุกให้มันไม่สงบให้น า, ต, าติกาสวยดีมันไม่เดินนะถ้าได้จะนั่งเท่านั้นเฉลี่มวงเดี๋ยวนั่งไปนิดหน่อยมองดูเปน็นนาิกาอยู่นั้นจิตก็โพวง อยู่เรื่องนอกมันก็เลยในเลยวในรวมให้แต่จุดเพื่เอาไว้เพืมวันกันเดี๋ยวมันไฟมไหมให้ยกมองไปยันยาอยู่หลับตาเพราะน้าไปอีกมันเป็นแบบนั้นอย่าไปโยกคล้องกับมันให้ดูภายในดูใจท้องตัวมันอยู่กับบทบริกรรมได้ไหมมันอยู่กับลมได้หมเดี๋ยวมันอยู่กับ อะไรมันดีนะู่เลยเรื่องของอ่านของทำหทรือไม่พิโรนาอย่างนั้นเนี่ยเราทราบเรื่องอย่างนี้เวลาเราทำเราก็ทาไปตามหน้าที่ของเราถึงการถึงเวลามนันจะเป็นจากไปมันก็เกิดขึ้นให้เกิดให้นี่คือการปฏิบัติจิตปฏิบัติใจในสองไปหาปฏิบัติที่อื่นปฏิบัติอนยะู่ในตัวของตัวเนี่ย เรากำหนดรักษามีสติปัญญาสอนตัวของตัวอย่างนั้นทําเป็นไปของจิตของใจอยู่ในเชื้เกิดเดินเห็นรู้โปรยแฝงจะเกิดจะเดินจะเห็นจะรู้ขึ้นเมื่อเราเห็นเราเป็นในจิตในใจก็ไม่มีใครที่จะมาเด้งแย่หยุดแย่งดิ้นปนขี่รักขโมยของเรานี้ไป มันสุขมันสงบมันสบายมันดีมันยุติเสตอย่างของอดของทำผูกเห็นผูกเชิญจึงเย็นสบายอยู่ทุกตอนทุกเวลาเป็นอากาศยุติเสตน่เราก็ได้ยินจากข่าวว่าโซดาเศรษฐท่านาคาลัหันท่านองค์นั้นสำเร็จอย่างนั้นสำเร็จอย่างนี้ แต่เราเองเป็นอย่างไรก็ไปเอาจากข่าวของคนอื่นมาอ่านไม่ได้อ่านดูจิตดูใจของตัวมันก็เลยเน้สึกมันสบายให้ข่าวของท่านจะเรื่องของท่านเรื่องของเราจะทํากันแบบไหนให้ดูภายในให้ศึกษากายศึกษาใจของตัวขอปฏิบัติมันอยู่นี้ไม่ได้มีอยู่ที่อื่นดังนั้นขอทุกคน จ้งนำไปที่นิชเวนาศึกษาแต่งหน้า ต, ต่างตาก็ <c oughs> ทำบำเพนความภาคความเทียนก็จะนั่นไปความสุขความสบายจะแต่เกิดขึ้นการอธิบายธรรมะเห็นว่าพอสมควรเสียเวลาเพยาะจเี่เพ่นเนอนี้น